เช้าเชาอย่างนี้อให้บรรดานักปฏิบัติทั้งหลายต้องตั้งจิตตั้งใจที่จะบำเพ็ญเปลี่ยนปรมีคือความดีอใอยท่านทั้งหลายต้องตั้งจิต ของพิธิใจของตัวเองอย่างที่เคยถูกฝึกมาื่อกำหนดรู้รู้ก็คือสติของตัวเองว่าตัวเหล่านั้นกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้บุญก็คือความว่างเปล่าแบาบปก็คือความว้าวุ่นใจไม่สบายใจ เรากำลังเพำเพ็ญเพียรบุญอยู่กระกำหนดรู้ปธิจัยเมื่อเรารู้ปฏิจัยแล้วเราก็กำหนดตึงลมหายใจเข้าไปสามครั้งในขณะที่เราบำเพ็ญเพียรละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น จิตของเรานั้นออกมาละเอียดมากขึ้นลมหายใจของเรานั้นมันไม่สะดวกมันไม่โปร่งมันไม่โลง่งไม่สบายมันทำให้เรานั้นหายใจเข้าไม่เข้าออกไม่ออกแร่าสั้นไม่เท่ากันรู้สึกอึดอัดลังเลเอฟนั่นปอยนี่ เราก็เคยชินอยู่แล้วกับสภาพแบบนี้เราจะเป็นลังเลสงสัยครับอาการที่เกิดขึ้นเราก็สงสัยอีกำว่าสงสัยก็หมายถึงว่ามีอสงสัยสงไข่นั่นเองในเราเนี่ยมักจะแวะแวะความรู้สึก เยี่ยมความรู้สึกความรู้สึกอะไรความรู้สึกของกายกรรมก็บอกแล้วว่าเป็นอริยบุคคลเนี่ยจะต้องเป็นบุคลบคลที่ปลดพ้นจากกายกรรมอริยบุคคลต้นเหตุก็จะต้องปลดพ้นจากวาจีกรรมมโนกรรมกายกรรมถูมไหม เพราะนั้นคนเราที่เวียนแวะที่ไม่หลุดพ้นเนี่ยเอาแวะ อ, อบรถนั้นมัง่งรถนี้มัง่ง อ, อบกิ่นเสียงรูปรถโผทพะก็ เ, เรียกว่า น, นิวรังห้าไปยังยึดติดตัวเองอยู่เสมอในขณะนี้เนี่ยอ้อยท่านทั้งหลาย กรู้ใจแล้วก็เข้าใจตัวเองพอรู้แล้วก็มองเห็นใจตัวเองเนี่ยสว่างเหมือนกันดวงจันทร์สว่างเหมือนดวงจันทร์แล้วก็เข้าไปในความรู้สึกของใจที่ว่างวางให้เป็นบริสุทธิ์เราก็นึกไปเมื่อใจเราบริสุทธิ์แล้วสว่างแล้ว ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอเห็นไมเราก็ถามใจตัวเองที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอเมื่อเราไม่มีความวุ่นวายใจไม่แวะไม่วอกแวกไม่สงสัยลังเลอาการที่เกิดขึ้นในความรู้สึกทางตัวเราเองก็คือกายเรานี่และ มันจะนั่งสนัดหรือไม่สนัดมันหายใจเข้าหรือไม่เข้าปกติหรือไม่ปกติอย่าไปสนใจมันเราสนใจอยู่ที่ติดของเราติดวิญญาณก็คือที่เราทำให้มันแสงสว่างก็คือใจนั่นแหละไอ้ใจเนี่ยคนปกติคารวาสนะเรียกว่าใจ น, นักปฏิบัติถ้าพระสงฆ์ก็เรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้รับรู้นะรับรู้รู้ความรู้สึกในขณะนี้ของเราว่ามันไม่วุ่นวายเมื่อมันไม่วุ่นวายพุ๊บเราก็นึกต่อไปอีกยิ้มเข้ามาอีกที่นี่ไม่ขัดข้องหนอะ เราไม่ขัดข้องไปขุนเครื่องใจบริสุทธิ์ใจยิ้มเข้าไว้ทาใจให้ว่างวางไว้ว่าเรากำลังทำสมาธิอยู่หายใจเข้าพูดก็ยิ้มหายใจออกโรก็ยิ้มเข้าไว้ทําจิตใจของเราเนี่ยให้อ่อนโยนยิ้มก็ตูตัวเมตตา ย, ยิ้มไม่ใช่ว่า ย, ยิ้มจนเห็นฝัน ยิ้มไว้ในใจนั่นเองตัยิ้มก็คือตัวเมตตาตัวอ่อนโยนพอเรากนระถูกคนอื่นเขายิ้มให้เนี่ยบางทีเรายังรู้สึกอุ่นใจรู้สึกสบายใจแต่ในขณะนี้เนี่ยเรายิ้มให้กับตัวเองในขณะนี้เรายิ้มให้กับตัวเองเนี่ยใจของเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลาย คายกล้ามเนื้อที่เคยหลุดจากการฝึกหลุดจากสติสติก็คือความรู้ตัวเหมือนในขณะนี้เนี่ยหลุดไปแล้วเนี่ยเราก็เกิดภาวะปกติปกติก็คือชินนั่นเองชินก็แปลว่าฌานฌานก็แปลว่าชินชินกับชีวิตที่เราเคยหมกมุ่นมุ่นวายอยู่ทุกวี่ทุกวัน เ, เคยมีสติรู้ตัวรู้ ต, ตนเหมือนขณะ น, นี้เราก็เลยรู้สึกแต่สภาพเพราะว่าใจของเรานั้นบัญชินกับกิเลสคือรูปรถกิ่นเสียงผลตับพระก็คือชินจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเดีกวกันนิวรณทั้งห้าแต่เรานั้นมาประพฤติมาปฏิบัติหลายลาตีแล้ว เราก็รู้สึกจะชินในการอยู่ในองค์ภาวนาเหมือนกันชินอยู่ในการตั้งอกทั้งใจก็คือสมาธิชินต่อการสํารวมกายวาจาใจไปถึงพร้อมก็คือศีลสมาธิปัญญาอะไรเหตุทําให้เกิดปัญญาก็คือสมาถะสมาถะก็คือการพิจารณากายในกาย ไมล่ ล, ลมันจะเข้าเป็นสเต็ปของมันโดยอัตโนมัติเข้ายัางไงเราก็เข้าใจเสร็จแล้วก็มองเห็นมองเห็นกามองเห็นใจแล้วก็มองเห็นตัวเองเราก็ลองนึกถึงว่าในขณะนี้เนี่ยเรากำลังนั่งตัวตรงอยู่เลยก็มองเห็นตัวเอง ในขณะที่มองเห็นตัวเองเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีอาการเจ็บมีอาการไม่สนัดมีอาการคันต้นคันนี่เพราะเราไม่เคยเห็นตัวเองพอไอจิตที่กำลังภาวนาอยู่เนี่ยไอที่ลอยอยู่เนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยก็เริ่มจะมองตัวเองก็คือเห็นตัวเองเนั่นเองคือมโนใช้มโนยิทธิ แล้วก็มองไปที่ที่ตัวเองเมื่อเห็นตัวเองเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยในขณะเห็นเนี่ยไอ้ตัวที่ไม่เห็นมันก็จะเกิดขึ้นด้วยก็คือตัวที่นั่งรู้สึกอะไรมันมันนุนก้นบางหรือเราคันตรงนั้นยุกยิกยุกยิกมันก็จะมีอะไรที่มามากำจัดไอ้ตัวที่เห็น ทำให้เราเนี่ยขาดองค์พวนาไปตอนเราขาดองค์พมนาไปกังวลว่าเอ้ยนี่เจ็บอันี้คันไอ้นั่นไอ้นี่หรือว่าเรานั่งไม่สนัดอารมณ์ของเรานั้นก็ขาดองค์พมนาก็คือพุทโธโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันที่เป็นตัวบันทอนเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจเห็นกายตัวเองละ เราก็มองเห็นตัวเองว่าที่นี่ไม่ขัดข้องหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนออิ่มเขาแะที่นี่ไม่ขุนเคืองหนอที่นี่ไม่ขุนเคืองคําว่าไม่ขุนเคืองก็หมายถึงว่าไม่มีอะไรมาขัดใจขัดกาย แล้วก็ใจของเราเนี่ยว่างเปล่าไม่คุนเครือกเมื่อมีความว่างเปล่าในใจแล้วเนี่ยเราก็มาพิจารณาเข้าสมถะวิปัสนาเลยพิจารณาตัวอ น, นิจจังเป็นของไม่เที่ยงสุขนี่ก็ไม่ยึดไม่ได้อะไรคือสุขที่แท้จริง อันที่สุขที่แท้จริงก็คือคนนอนหลับเอาเป็นรารวาสเนี่ยรารวาสนอนหลับเนี่ยเหมือนได้พักผ่อนผที่แท้จริงของนักปฏิบัติก็คือในขณะนี้เนี่ยเราได้พักกายพักวาจาพักใจพักทุกสิ่งทุกอย่างระทุกสิ่งทุกอย่างความโรคความโกรธความหลงในใจของเราเนี่ย มันไม่มีอีกแล้วโกรธมันก็ไม่รู้ว่าจะไปโกรธใครในขนาดนี้เกลียดเราก็ต้องเกลียดตัวเองนะในขนาดนี้โกรธตัวเองเกลียดตัวเองรักก็จะต้องล้างตัวเองนะเมื่อเรารักตัวเองเราก็ยิ้มเข้าไว้พยายามตั้งสติสติคือความรู้ตัวตั้งอารมณ์ยิ้มความรักก็คือรัก ใจของเราเนี่ยตอบใจของเราเกียดเราก็เกียดว่าโอ้โนโออารมณ์ใจที่เราขุ่นมัวทั้งวันเนี่ยมันเป็นความคิดปรุงแต่งเท่านั้นมันเป็นความที่รู้สึกเท่านั้นไม่ได้เป็นความจริงเลยเวืา อ, อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นความจริงก็คือความหลอกนั่นเองวันเราหลอกตัวเอง อารมณ์ที่มันหลอกอ่มันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอุ่นเครื่องใจไม่สบายใจอัดข้องใจเมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอะความวุ่นวายของเราเนี่ก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงการปรุงแต่งทั้งนั้นะนั้นเมื่อเรามีการปรุงแต่งจนชินชินต่อสภาวะ กิเลสต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวก็คืออาดอาสติทั่นเองเมื่อเราขาดสติแล้วเราก็พังเผอไปเล่นกับมันไปคลุกคลีกับมันจนจนเป็นเพื่อนกันไปแล้วเท่ามาทั้งวันเนี่ยเราก็คลุกคลีแต่เรื่องชาวบ้านเรื่องของคนอื่นเช่นการทำงานเนี่ย เราไม่เคยคิดถึงตัวเราเองเลยเราคิดถึงแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตบางทีก็หัวเราะบ้างบางทีก็ร้องไห้บ้างบางทีก็คิดว่าสมหวังบางทีก็คิดว่าผิดหวังบางทีก็คิดว่าเรานั้นได้ได้เปรียบ ทีเราก็คิดว่าเราเสียเปรียบบกมุ่นกับความคิดการปรุงแต่งก า, ารฟุ้งซ่านก็ทําให้สภาพของสติเราเนี่ยสติก็คือความรู้ตัวเนี่ยเหมือนในขณะนี้เนี่ยไม่มีเมื่อไม่มีมันก็ขาดเมื่อขาดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราทําการค่าเนี่ยอาจทนโดยไม่รู้ตัวก็คือเจ๊งนั่นเอง ขนาดนี้เราได้กำลังทำการค้าได้กำลีกําไรก็อย่าพังเผยมันอย่าเผอตัวเองก็คืออย่าอย่าเผย อ, องค์ภาวนาเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยโอ้เนอะสขก็ยึดไม่ได้ปุก็ยึดไม่ได้อะไรน้อที่ยึดได้ก็คือสติสติก็คือความรู้ตัวอ๋อ เรารู้ตัวรู้ตนที่แท้จริงก็พิจารณาเลยว่าเข้าตัวอันนิจังเลยอันนิจังก็หมายถึงว่าเป็นของไม่เที่ยงร่างกายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ท้ายสุดก็ต้องเสื่อมสลายตายไปอารมณ์ใจก็เช่นเดียวกันอารมณ์ที่เกิดขึ้นลองนึกซะว่าเออก็จริงเนาะเราปุงแต่ง อารมณ์อะไรอะไรก็เกิดขึ้นโดยความคิดนึกปรุงแต่งนั่นเองพอเราปรุงแต่งนึกคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยขาดสมาธิขาดความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยก็ เ, เรียกว่าหลงหลงเชื่อเหมือนคนไม่รู้ทางแล้วไปถามท่าไปถามคนไอ้ไม่รู้เนี่ยก็เหมือนนักปฏิบัติเนี่ยคนสอนไม่รู้ทางไม่เคยไป ไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเจอของจริงเนี่ยเขาเล่าว่าเห็นไหมเมื่อเขาเล่าว่าหรือเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยเราดันไปถามไอ้คนนี้เขาไอ้คนนี้ไม่รู้เน่ยเสือกชี้เลยชี้นาว่าวัดเขาอิติสุกโตมันได้ข่าวว่ามาทางไปทางหนองพับเลยหนองพับเข้าทางประจวบ แล้ววนเข้าไปตามชายเขาอาจว่าสักสามกิโลมันว่าอย่างนั้นสมมตินะไอเราก็อยากจะมานะอยากจะมาเราไม่เคยมาก็ไปถามก็เลยเชื่อไอคนนั้นเลยพอมาแล้วเนี่ยมันไม่เจอก็เกิดความลังเลสงสัยว่า เราจะทำอย่างไงถึงจะมาวัดเขาอิติสุก โ, โตได้ก็เหมือนกับนักปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวของตัวเองเรียกว่าจริตจริตก็หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จริตของตัวเองก็คือต้องรู้ใจของตัวเอง ว่าเราเนี่ยเป็นคนอุปนิสัยเดิมอะ่ะมันเป็นยังไงเมื่อเราเนี่ยรู้ตัวรู้ตนที่แท้จริงเนี่ยทําไมเราถึงอยากรู้เรื่องของคนอื่นเราทําไมไม่รู้อยากรู้อารมณ์ของตัวเองบ้าง <c oughs> องค์สมมาสมพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนสอนพระองค์หนึ่งเป็นนายช่างตัดผม มาเรียนกสินมาเรียนวิปัสสนานี่แหละไอพระอนุนเนี่เป็นพระอาจารย์สอนพระอาจารย์เนตรพระอนุนเนี่ก็สอนไปเถอะเอ๊ะทำไมองค์นี้เพ่งกสินหลายอย่างมากดูนิ่งเงียบสบายแต่ว่าทําไมไม่ได้ไม่ได้กสินไม่ได้สมาธิสอนยังไงก็ทําไม่ได้ ก็ไปในงานพระพุทธเจ้าว่าอาต่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าในช่างตัดผมเนี่ยเราได้พยายามสอนพยายามทุกอย่างแล้วทำไมไม่คืบหน้าเกิดความเบื่อหน่ายองค์สมมาสัมพุทธเจ้าว่าอ น, อนนต์อนอนต์ รู้ทุกอย่างแต่อนนนเนี่ยไม่รู้จริตของนายช่างตัดผมนายช่างตัดผมนะเป็นคนเงียบลึกล้ำแต่หารู้ไม่ว่าเป็นค น, นี่ใจร้อนผูกยาบาดอาฆาตเป็นคนเนี่ผูกพยาบาทอาฆาตอย่างมากแต่ดูกายนอกเนี่ยเขาเรียกก็ดูอาการข้างนอกเนี่ยสงบเงียบนิ่งแต่อนอนหารู้ไม่ว่า ในช่างตัดผลเนี่ยเป็นคนบันดาลโทสะจริตเขาเนี่ยเป็นคนโกรธอย่างมากมีความโกรธพยาบาทอย่างลมแรงรู้ไหมอนนพระอานน์ก็เลยได้สติว่าโอ้คนเราเนี่ยจะฝึกสมาธิเนี่ยต้องรู้จริตของตัวเองต้องรู้จริตของคนนั้นๆก็เหมือนนักปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เนี่ย เราดูนิ่งดูสงบเราทำไมเอ๊ะเราจึงนั่งสมาธิจึงไม่เกิดอาการต่างๆเพราะความอยากนั่นเองเมื่อเราอยากได้เห็นฌานเห็นญาณอยากได้สมาธิเราจะอยากไปทำไมอยากก็คือตัวกิเลสเราไม่รู้เลยว่าเรากาลังมีความโลภ ก็คือความอยากนั่นเองในการมาเปพีป่ยนแต่เราไม่มีความพยายามรู้ไหมพระอนุนก็เลยกลับมาให้ในายช่างตัดผมเนี่ยเพ่งกสินสีแดงก่อนก่อนที่จะเข้าไปประพฤติปฏิบัติวิปัสสนาก็คือใช้สีแดงสีแดงเลือดนกเนี่ยให้นายช่างตัดผมเนี่ยเพ่งพิจารณาสีแดง สีแดงก็หมายถึงความร้อนนะความโกรธความพยาบาทเวลาเราโกรธเดี๋ยวหน้าแดงตาแดงแล้วมันคนร้องให้ออกมาเหงื่องานไหลออกมาเต็มเลยในช่างตัดผมเนี่ยก็เพ่งไปเพ่งจนสีแดงตัวเองก็ร้อนสีแดงก็ร้อนก็เกิดความร้อนมากขึ้นเหงื่องไหไหลตกมา ความอ่อนร้าของจิตเนี่ยเมือเ่อเกลือจิ้มเกลือแล้วเนี่ยมันก็เกิดพรารณุภาพเกิดเห็นตัวอันนิจังเหมือนเรานี่แหละในขณะนี้เนี่ยเราเห็นใจสว่างภาวนายิ้มเข้าไว้แต่ก็ให้ระวังไอ้ตัวขันยิกยกย๊กยักยิ๊กยักตัวไม่สนัดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยปกติเมื่อเรา เห็นตัวอนิจจังก็คือของไม่เที่ยงก็เกิดแก่เจ็บตายเมื่อเราพิจารณาเห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพนอมองเห็นซากศพที่มันคนตายอื่นตายที่เราเห็นตัวเราในขณะนี้เนี่ยนอนมันก็ช่อนชัยลูกตาหยบหยบหยบหยบไหลออกมาเราเห็นผมเราเนี่ยหลุดเป็นกระจุบกระจุบเน่าเฟะน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมา เราเห็นตาของเราที่สวยๆเนี่ยก็มีหนอนชอนใจเน่าไหลออกมาใบหูที่เคยสวยงามติดดอกติดมุกติดเพชรติดพลอยตลุดลุยเป็นลูอ่ะวะปากที่เคยทาสวยงามเนี่ยฟันแงมีหนอนชอนใจเน่าไหลจมูกที่โด่งงาม เป็นรูโพงเน่าน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไหลเลอละระเบิดฟ้าเพิบฟ้าเหมือนซากศพว่าเราเห็นความเน่าเปื่อยความเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเราหนีไม่พ้นคุณโยมเราจะต้องถูกเน่าเหม็นกระดูกเนี่ยถูกหนอนชอนใจเนื้อนในกินหมดตับไตไส้พุงเป็นเน่าเหม็นเหมือนกับซากหมาซากพืชซากสัตว์ที่เราเห็น ตอนที่มันตายเนา่าพิจารณาตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเคยพิจารณาตัวเองถึงก็อ้วกออกมาในขณะนั่งอยู่ในเ อ, อ้องเ อ, อื้องเ อ, อืเออ้หมือนอ้วกจะหมดไส้หมดพุงมันสะอิดสะเอียนมันขยแยงตัวเองพอเราพิจารณาความเป็นอันหนึ่จังเนี่ยเราเห็นแล้วว่าโอโโ๋เนอ ร่างกายของเรานั้นประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไปธาตุดินก็คือกระดูกนะเราก็มีกระดูกที่เป็นลักนณะกะโหลกศีษะกระดูกบา่ากระดูกหน้าอกกระดูกหลังลงไปเนี่ยมันเป็นธาตุดินนะเมื่อธาตุดินเกิดขึ้นก็มีกล้ามเนื้อมีเอ็นเล็กเอ็นใหญ่ที่เกี่ยวรั้งมัดผูกกันมาเป็น แขนเป็นขาเป็นลักษณะตัวตนที่เราเห็นเนี่ยที่เราเยึดมัน่นถึงมั่นเป็นตัวกู่ของกูเนี่ยท้ายสุดเนี่ยกล้ามเนื้อเอ็นเนี่ยมันก็รู้สึกเสื่อมลงก็คือแก่ชราเหี่ยวเราก็พิจารณาอย่างเงี้ยกับไปกลับมาท้ายสุดก็เหลือผ้าขาวในห่อกระดูกที่เหลือเราใช้ชีวิตทั้ง วันทั้งคืนเนี่ยเหลือแต่ผ้าห่อกระดูกผืนเดียวไอ้สั ป, ปเหร่อมันก็กรอบๆรวมทั้งคิดเท่าด้วยมีคิดเท่ามีกระดูกอ่อใส่ผ้าขาวในชีวิตเราเหลือแค่เนี้ยทั้งชีวิตเนี่ยที่เราคิดกันทั้งมีทั้งวันเราก็จะเห็นตัวอันนี้จังเราก็จะรู้สึกหดหู่ใจเบิกบานใจรู้สึกว่าโอ้เนาะ โอทุ ก, ก็ยึดไม่ได้สุ ก, ก็ยึดไม่ได้แม้กระทั่งตัวเราเนี่ยก็ยึดไม่ได้พิจารณากายในกายอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าสมถะเมื่อพิจารณาแล้วก็มีวิปัสนาเข้าสู่วิปัสนาเลยเมื่อเข้าสู่วิปัสนาก็เห็นตัวอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่นี่เป็นของสมมุติดินน้าลมไฟประกอบด้วย กระดูกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเหือน้ำตาประกอบไปด้วยเลือดเนื้อเอ็นกระดูกแล้วก็พิจารณาไปธาตุลมก็หมายถึงว่าเราเป็นธาตุของอารมณ์ลมที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมีทั้งอากาศที่ดี กับอากาศที่เสียก็คือออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกซิเจนนะเมื่อเราเหายใจทั้งดีและดีเข้าก็ต้องของไม่ดีออกเนียมันเสมอกันดีก็คือผิดกระถูกเนี่ยตัวก็ดีเป็นของปกติพอร่างกายเราเนี่ยได้รับของดีมันก็ไปฟอกเลือดให้เปี่ยมสะอาดขึ้น ของไม่ดีไปฟอกตรงไหนก็ฟอกในตัวเราก็คือเลือดดำไอ้เลือดดำในตัวเราเนี่ยก็คือสัตว์ต่างๆที่เรากินเข้าไปซากพืชซา ก, ซากสัตว์ปกปกโสโครกจนดําหมดเหมือนกับแม่น้าเนี่ยมันสกปอกเป็นน้ำเน่านะเมื่อ น, น้าเน่านยก็เหม็นกลิ่นคุ้งฟุ้งซ่านไปหมดก็คือกลิ่นตัวเรานั่นแหละ เรามีกินตัวเนี่ยไม่รู้ว่าสัตว์ต่างๆกันที่อยู่ในป่าเนี่ยกินปลากินกุ้งกินหอยกินปูกินหมูกินวัวกินควายกินซากพืชซากสัตว์กินเต็มไปหมดเลยพอเรากัดกินไปแล้วเนี่ยสารอาหารมันก็ไปรวมอยู่ที่เลือดเลือดเราเลือดก็คือตัวเราเขาเรียกว่าเลือดดำ ไปเลือดดาเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดใหญ่เขาเรียกเส้นเลือดเมนเลยเหมือนไฟฟ้าแรงสูงเลยในขณะที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยโอ้โหมันควบคุมไปหมดเรียกว่าถ้าเกิดใครมีอุบัติเหตุเนี่ยเส้นเลือดดําคือเส้นเลือดใหญ่ขาดเนี่ยอําเลือดไม่ได้เลือดหมดตัวตายแน่นอนเลือดดําก็คือเลือดที่มันเป็นเหมือนกับแม่น้ําที่มันเน่า ก็ปกโสโครกด้วยพืชสัตว์ต่างๆอาหารเก่าอาหารใหม่อาหารเก่าก็รู้สึกว่ามันเน่าบูดอยู่ในท้องเราเนี่ยมีเชื้อโรคปิจุ ล, ลเลนรีย์นี่เป็นหมื่นเป็นล้านล้านชนิดทั้งดีต่อร่างกายแล้วก็ทั้งทําโทษต่อร่างกายเห็นไหมเราไม่เคยพิจารณาตัวเองมาก่อนไม่เคยเข้าสู่สมถะ หลวงพ่อพยายามจะเข้าสมถ ะ, ะวิปัสนาเข้าเป็นอริย บ, บุคคลเนี่ยบางทีก็ช้านะพวกเราเพราพวกเราช้าเนี่ยหลวงพ่อก็พยายามดึงให้ไปให้ไหวไม่ได้กลัวจะพลาดนะกลัวมันจะเข้าไปเขาเรียกว่าเดินไปแค่เห็นวัดอิติแต่ไม่ได้เข้าไปในวัดอิติไปเห็นแล้ววัดอิติอยู่ตรงนี้เข้ามาได้เหมือนกันแต่ไม่พบ หลวงพ่อใจจริงและตั้งใจที่จะมาพบหลวงพ่อเห็นไหมมก็เหมือนกับสมาธินี่แหละที่เราปฏิบัติจะได้เข้าเป็นอริยะบุคคลเป็นอริยสงฆ์อริยเจ้าเล้วมันจะต้องผ่านเป็นเทวดาจิตของเป็นเทวดาเป็นผมโดยไม่รู้ตัวเรามาปฏิบัติเนี่ยเข้าเข้าลึกไปลึกไปในจิตเป็นเทวดาเลยจิตเป็นมนุษย์สมบัติก่อน ว่าเป็นมนุษย์สมบัติพบเราก็รู้จักผิดถูกช่วดีรู้จักสํานึกก็คือนึกในสิ่งที่ดีในขณะ น, นี้เรียกว่าเป็นมนุษย์สมบัติมารักษาศินแล้วก็จิตเป็นเทพนะเทพก็มีอำนาจจิตเียมีสมาธิมีอำนาจมีพลังต่อสู้ได้อำนาจสามารถควบคุมโจรร้ายก็คือควบคุมสติได้คนที่มาปฏิบัติก็มีสติ รู้ตัวมากขึ้นรู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยมากขึ้นเสร็จ แ, แล้วก็เป็นเทพแล้วก็มาเป็นเทวดาเทวดาเนี่ยนึกปุ๊บก็ได้ปั๊บเทวดาเนี่ยเขาไม่ต้องมากินมาอยู่เขานึกว่าจะทานอะไรเนี่ยอนึกปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเราได้ทานได้กินเลยให้จิตถึงเทวดาดันั้นนักปฏิบัติเนี่ยอาจจะหลงได้ พอเรานั่งสมาธิจิตเป็นเทวดาปุ๊บนึกถึงว่าบาทีได้กลิ่นเลยได้กลิ่นว่าเอ๊ะเขาแกงเขียวหวานอะตอนที่เรานั่งนึกเราได้กลิ่นว่าไอทอดปาเค็มเนี่ยสมมตินะแ้วพอถอนสมาธิไปแป๊บเนียไม่ได้อยู่ที่นี่นะแปบ๊บเดียวเอ้าเรานึกเมื่อตอนนั่งนี่ทไมเขา ปลาเค็มทอดแกงเขียวหวานเหมือนเล่านึกเลยบางทีเรานึกถึงหน้าเพื่อนหน้าคนนั้นโทรมาเดี๋ยวนั้นเลยเรียกว่าจิตเป็นเทวดาแต่หลวงพ่อไม่อยากจะสอนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปยึดติดเข้าเป็นมนุษย์สมบัติเทวเทพสมบัตินะแต่จริงเทพนลยก็ไม่ต้องบอกจิตเป็นมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัตินะพรมสมบัติเห็นไหม เ่อเราเป็นเทวดาแล้วก็เป็นพรมพมก็หมายถึงว่าควบคุมร่างกายควบคุมสติเมื่อมีควบคุมเสร็จแล้วก็ความเป็นเมตตากรุณาพรมิหารสีเกิดขึ้นในจิตได้สำเร็จเรียกว่าเกิดในสันดานเลยว่าเราเกิดเป็นพรมิหารสีเสร็จก็เข้าพ้นหลุดพ้นเลยเป็นอริยบุคคลนะอริยบุคคลนี่มันรู้จักตัว สมถะการพิจารณากายในกายนะเมื่อเห็นร่างกายเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ท่าทันก็คือเข้าสู่วิปัสสนาวิปัสสนาก็คือปัญญาล้นล้วนนะมันจะต้องโง่ก่อนฉลาดเห็นหมแต่กว่าจะฉลาดเนี่ยเราต้องคลาหาตัวเองเนี่ยอย่างมากพยายามลุกนี้ลุกลนพยายามตามติดสอยห้อยตาม พยายามรู้ว่าโอ้ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟนี่มันคืออะไรบ้างธาตุดินก็คือกันดุธาตุน้ำก็คือน้ำเลือดน้ำเหลืองธาตุไฟก็ทําให้ร่างกายของเราในอบอุ่นร้อนเปื้อนหมุนเวียนนะธาตุลมก็หมายถึงว่าอากาศลมทั้งอากาศสัตว่ที่เราหายใจเข้าออกเข้าออกเหมือนเครื่องยนต์เนี่ยมันทํางานอยู่ตลอดเวลา เราก็ทานน้าเครื่องยนต์เขาก็เติมน้ำํำ เ, เขาก็ถ่ายน้ํำระเหยออกไปเราก็ฉีดออกมไปรถยนต์ก็ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็ต้องถ่ายหนักถ่ายเบาออกเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมรถลมรถยนต์มันก็มีรวงพึ่งมีมีพัดลมแล้วก็มีปอดเหมือนกันมันมี อดมีอะไรเหมือนกับมนุษย์เลยเครื่องยนต์เนี่ยเราก็เช่นเดียวกันเรารู้จักอารมณ์หายใจเข้าออกในขณะนี้เนี่ยยิ้มเข้าไวน้นะพอยิ้มเข้าไปแล้วเราก็พิจารณากายในกายเรียกว่าสมถะเื่อสมถะเสร็จมันก็ควบคู่กับวิปัสสนาหลวงพ่อพยายามไล่ล้อมพวกเราพยายามย้อนไปย้อนมาให้พวกเราได้มีความเข้าใจ ต้องระวังว่าในขณะที่เราไล่เนี่ยระวังขาดองค์พวนามันจะเกิดความรู้สึกเบาสบายก็จริงช่วงบนแต่ร่างกายเราเนี่ยจะรู้สึกฟั่นเฟือเพราะเราฝืนมันเยิ้มเจ็บเยิ้มปวดเดยิ้มคันน่นคันนี่ยุกยิกยุกมยิบพอเราเผลอองค์พวนามาเกาบ้างขยับบ้างเนี่ยไอตัวฟุ้งซ่านจะเกิดนะเพราะเราฝืนใจอยู่ เดี่ยตรงที่หลวงพ่อเป็นห่วงก็คือตรงนี้อันติบาลมีก็คือความอดทนอะไรมันจะตายอะไรมันจะปวดอะไรมันจะเจ็บนียอย่าไปยึดติดมันเราก็บอกแล้วว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอทั้งกายและใจเราไม่วุ่นวายเมื่อเราไม่วุ่นวายแล้วเนี่ยวามโง่มันจะออบงำเราก็ไม่ได้เพราะเรามีสติรู้ตัว เรามีสติรู้ปุ๊บเนี่ยพอเราตัวรู้ในตัวโง่ก็มาแล้วมันก็จะสลับไปสลับมาเหมือนกับเรามีอารมณ์รักก็มีอารมณ์ชังนะอยู่ในตัวตนของเรานี่แหละมันแก้งเราทุก อ, อย่างเพราะเราชินเราเราฝึกมันมา ก, ก่อนองค์สมมาสัมพุทธ เ, เจ้าถึงบอกว่า เป็นสัตว์ที่ฝึกมาดีแล้วเหมือนกับเราเนี่ยมีการฝึกมีการปฏิบัติมาดีแล้วไม่เหมือนกับสัตว์ที่ไม่เคยฝึกสัตว์ที่ไม่เคยฝึกเนี่ยมันทำยังไงมันก็ไม่เป็นไม่ได้ไม่ได้เหมือนความต้องการที่เราต้องการให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์มันจะต้องถูกฝึกมา เรียกว่าวัฒนธรรมที่เขาทาตามกันมาต่อๆกันมาบ้านเราก็เช่นเดียวกันก็ถูกฝึกจากพ่อแม่ก็ฝึกมาโตได้นขนาดไปเรียนก็ถูกอาจารย์ครูเนี่ยฝึกมาแต่คนที่ฝึกของของตัวเราเนี่ยเราต้องหวานให้คนอื่นมาฝึกเราอันนี้เรามีสติรู้ตัวรู้ตนเนี่ยฝึกตัวเองเนี่ยฝึกตัวของตัวเราเอง มันยากนะมันฝืนมากเขาบอกว่าฝึกคนเองเนี่ยมันฝึกก็ยากเขาถึงว่าดูแลตัวเองเนี่ยมันดูแลยากต้องไปหาคนมาดูแลตัวก็คือผัวเมียเนี่ยก็ไปกันใหญ่รู้คนอื่นเนี่ยจะให้คนมารู้เหมือนตัวเราเนี่ยมันก็รู้ยากเขาเรียกว่าไม่รู้ใจ ตัว เ, เรานะี่ยังไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยเราจะให้คนอื่นเข้ามารู้ใจเราเนี่ยมันก็ยากมันไม่มีใครรู้เราเท่ากับตัวเรารู้เหมือนคำพังเพยว่าโกหกคนอื่นได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้เราจะต้องรู้ว่าเราพูดจริงหรือว่าพูดไม่จริงในขณะ น, นี้เรากำลังฝึกของจริงนะเมื่อเราฝึกของจริงสมาถาวิปัสสนา เอาอยู่สภาวะความหลุดพ้นของกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมรู้เท่าทันเหตุทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันก็จะเข้ามาเลยทุกเราก็รู้จักเหตุที่เป็นทุกข์สมุทยนิโรธมรรคก็จะตามตามตามจะไม่สอนให้ข้ามไปขนาดนั้นเดี๋ยวก็จะเกิดความว้าวุ่นวุ่นวายใจมากเข้าไปบางคนก็เริ่มจะเผลอมองเห็นตัวเองยิ้มเขวะ ยิ้มเอาไว้บุญก็คือความว่างเปล่ามองเห็นตัวเองกำลังนั่งเห็นว่าโอ้เนอเกิดขึ้นทั้งอยู่ก็เสื่อมสลายร่างกายเราก็เหมือนอารมณ์ที่แปรปวนอยู่ตลอดเวลาเราเกิดจากการมามลาคะระหว่างพ่อแม่เราได้เสพกันเมื่อเสพกันเสร็จแล้วมันก็ออกมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเผ่าพันเรียกว่าพันธุกรรมไล่ไปไ ว, นไวนไปเวียนมา สติปัญญาก็วกไปเวียนมาดักไปดักมาอ๋อเอาปวดก็เห็นตัวอนันเนจังว่าอ๋อนี่ว่าร่างกายเราว่าเป็นของเราเราลองห้ามมันว่าไม่ปวดหนอไม่ปวดหนอมันก็ปวดอยู่นั่นแหละไม่เมื่อยหนอไม่เมื่อยหนอมันก็เมื่อยอยู่เน่ยถ้าเราไม่ตัดใจทิ้งกายเลยทิ้งความรู้สึกมันจับที่ใจว่าอูไม่ได้ปวดที่ใจ มไม่ได้เมื่อยที่ใจผมรู้สึกสบายใจก็ฝืนฝืนใจเลยเพราะนักปฏิบัติมาหลายๆวันเนี่ยคนที่มีพื้นฐานของการปฏิบัติเนี่ยเป็นขณะที่ผ่อนคลายเต็มที่เนี่ยร่างกายก็จะทรงอยู่ได้แต่คนที่ไม่เคยมาปฏิบัตินานๆแล้วเพิ่งจะมาปฏิบัติก็ร่างกายกล้ามเนื้อผ่อนคลายตามปกติจะรู้สึก เฮยแล้วก็เมื่อยมากนั่งไปนั่งไปเหมือนกับเราเนี่ยเบื่อเบื่อก็คือจิตมันอดหูนะเมื่อจิตมันหดหูเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเบื่อวางเฉยยินดีก็ไม่ยินดีดูสุขมันก็ไม่สุขดูทุกมันก็ไม่ทุกมันเฉยเฉยนะ่นก็เรียกอุเบกขาวางเฉย จิตมันถึงข่านอุเบกขาเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยจึงไปไม่ค่อยได้ร่างกายแล้วก็รู้สึกกล้ามเนื้ออ่อนร้าจิตใจก็หดหูรู้สึกอยากหลับตาอยู่เงียบเงียบไม่สบายเราเงียบสบายจริงๆเข้าเหมือนกับเมื่อก่อนที่เราอยากฝึกให้จิตมันสงบเนี่ยอยากไหมอยากให้จิตเราเนี่ยอยากให้สงบนั่งได้นานๆอยากให้นิ่งอยากไม่ให้ฟุง้งซ่าน มันมีจุดจุดหนึ่งเหมือนกับคุณโยมหลายหลายท่านในขณะเนี้ยมันรู้สึกเฉยเหมือนสมาธิไม่ก้าวหน้าแต่พระพุทธเจ้าตึงบอกว่าอุเบกขาบาลเมยมันเฉยเราก็ให้รู้ว่ามันเฉยก็ถามใจตัวเองบอกว่ามึงเฉยจริงนะมึงเฉยไปเลยมึงนิ่งมึงเงียบไปเลยมึงอย่าไปยุ่งกับใครนะถามมันนะ มึงอย่าคิดพุ้งซ่านมึงอย่าอยากได้อะไรมึงเฉยอยู่อย่างนี้นี่แหละเพราะกูก็ปรารถนาความสงบอยู่แล้วเมื่อมึงสงบกายสงบใจเนี่ยมึงให้สงบอยู่อย่างนี้นะสาธุขอให้มึงสงบอยู่อย่างนี้มึงอย่าพากูไปพุ้งซ่านนะคุยกับตัวเองในใจไอ้กิเลส ท, ที่มันกำลังงอหัวไม่ขึ้น มันรู้สึกสะทกสะทานกลัวเลยพอเราพูดอย่างนั้นปุ๊บรู้สึกเราเนี่ยนหนาวหนาวร้อนร้อนบวบบว่บวบคนลุกขนปองปิติเกิดขึ้นเลยเพราะเราใช้ปัญญาปัญญาถามไอ้กิเลสก็คือไอ้กิเลสที่ทางกายเนี่ยที่มันเงียบมันอ่อนมันเพียวไปนอนเขาจริงๆมันก็ง่วงมันก็ไม่หลับเห็นไหม ลาอยากกินอะไรก็จริงๆพอกินแล้วมันก็เบื่อพอนั่งเดินไปไหนก็รู้สึกเบื่อๆบือพราจิตมันเงียบสงบบ้างเราไม่เคยสงบความฟุ้งซ่านในอารมณ์ก็เกิดขึ้นแหละเอะหรือว่าเราทำสมาธิไม่ดีบุญไม่มีบ้างแต่ว่าเรานั้นอาจจะบุญน้อยปฏิบัติไม่ได้อย่างเขาเอาแล้วเกิดความอดหูใจเศร้าใจรู้สึกหม่นหมองใจ โดยที่เราไม่รู้ตัวที่ว่าเรากำลังได้ไปความขันติบรารมีเมื่เรามีความเงียบสงบ้าจริงๆก็ถามอย่างลุงพ่อถามใจว่าอ๋อตอนนี้มึงไม่ขุนเคืองแล้วเหรอตอนนี้มึงไม่วุ่นวายใช่ไหมมึงดับไปเลยนะดับก็หมายถึงว่ามึงเลิกคิดเลิกทำไปเลยดับไม่มีเชื้ อ, อคาขององค์สมมาสามัาบอกวิ พิจิก ส, สงว่าสงที่ดับไม่มีเชื้อแล้วเนี่ยคือพระอรหันต์คันวันดับดับตรงนี้ก็หมายถึงว่าดับอารมณ์เนี่ยไม่รับรู้แล้วไปขุนเคืองไม่วุ่นวายเป็นอริยสงอริยเจ้าพระปัจเจกพระพเจ้าพระอรหันต์ตาเจ้าเนี่ยรู้นะแต่ก็ไม่พูดเฉย ยมีเมตตารู้แล้วว่าจะต้องดำรงชีวิตเกล็ดขันยังไม่ดับิเล็ดมันดับลงแล้วเนี่ยแม้เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องดำรงชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นเราดำลำดำรงชีวิตเนี่ยเราจะทําให้เหมือนกับเรารู้ว่าเราเป็นพระอรหันต์เราจะบอกคนอื่นว่าเราเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ย พุทธเจ้าท่านทรงห้ามทรงห้ามเหาะเหินเดินอากาศทรงห้ามแสดงนิ์แสดงเดชเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าสงฆ์เนี่ยเป็นอริยะงองค์มรสมุติสงฆ์เนี่ยสงที่ยังไม่ปฏิบัติสงที่ยังไม่สำเร็จเนี่ยก็จะเกิดการแยกแยะไปศรัทธาพระอรหันต์กันหมด สงที่มันเป็นเพียนอยู่แต่ละาพบแต่ละชาติที่จะได้บวชมาเนี่ยมัน จ, จ, จะได้อดนะมีคนเหยียดย้มดูถูกว่าทําไมไม่เก่งอย่างองค์นั้นองค์ น, งนี้เหมือนปัจจุบันเลยพระองค์ไหนดังองค์ไหนเก่งไปเฮ ห, หาไปกันไปแล้วก็ไม่ได้ไปไปสําเร็จอย่างเขาฮะไปสําเร็จโดยการให้อทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองกับพระผู้นั้น แต่เราไม่รู้ว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จนั้นถ้าเกิดเรามีความสัมผัสรู้เนี่ยเราเห็นพลาที่ท่านมีญาณมีฌ า, านการประพฤติดีปฏิบัติดีเนี่ยเมื่อเรามีจิตใจที่ดีเนี่ยเราเห็นปุ๊บเราจะเกิดการปิติเราเห็นปุ๊บเราจะรู้สึกมันมีสื่อมีสัญญาณเหมือนกับ Fm กับ AM ถ้าเขา fm เรา AM เอจะไม่มีทางหรอก ไม่เข้าใจไม่เข้าถึงของความรู้สึกที่แท้จริงเพราะเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติได้ความเป็นอริยบุคคลเราไม่พ้นจากเปรดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราก็เจอสัตว์เจอสัตว์มันก็จะรู้ว่าฝูงใครฝูงมันพวกใครพวกมันชนิดไหนชนิดกันก็เหมือนกับมนุษย์ชอบนินทาก็จะไปอยู่กลุ่มชอบนินทา คนที่ชอบกินก็จะไปอยู่ที่กลุ่มที่ชอบกินชิมทุกอย่างคนที่ชอบพูดก็เอาไปอยู่ในกลุ่มที่พูดคุยกันเจ้าเจ้าเจ้าเห็นไหมมันแยกกลุ่มแยกจริตนั่นเองจริตก็คืออุปนิสัยเดิมเราไม่รู้อุปนิสัยเราเราฝึกปุ๊บเราตัดตอนปั่นทอนกิเลสต่างๆพยายามขัดขืนพยายามยื้อยุดฉุดทำลายล้างสิ่งที่เรา ชอบแล้วยินดีมาก่อนเราก็ตัดออกเมื่อตัดออกปุ๊บกายเวทนาทางกายมันก็เกิดขึ้นเวทนาทางจิตเห็นมไหมที่เราทําวัดต่อๆสวดมนต์สวดมนต์กายเวทนาเมื่อเราเห็นกายเวทนาเราก็พิจารณาตัวเป็นอนิจจังก็คือสมถะวิปัสสนานั่นเองก็วนไปวนมานักปฏิบัติทั้งหลาย เมื่อเราวนไปวนมาหาเหตุหาผลเหมือนเราชำนาญนนะ่ะทางเราไปครั้งเดียวเราอาจจะจำผิดจำถูกได้แต่ถ้าเราจำบ่อยๆไปบ่อยๆก็คือปฏิบัติบ่อยๆพิจารณาที่ให้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยด้วยสติด้วยปัญญาบ่อยๆเนี่ยทำจนชำนาญทำนานก็คือชินนั่นเองชินเนี่ย จินก็แปลว่าฌานอชินแปลว่าญานแปลว่ายัางรู้ชินก็แปลว่าฌานฌานก็คือหมายถึงว่าเอ้าถึงนีเมื่อเราเข้าถึงเข้าสัมผัสได้ตามชินเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับเราเมอนอารมณ์ที่ลุงพ่อเข้าเนี่ยปุ๊บปุ๊บป๊๊ปปอ่ารวบรวมกําลังจิตรวบรวมสมาธิไวมากปุ๊ บ, ป, บปั๊บปุบ๊บปั๊บ เวลาใครถามอะไรหลวงพ่อจึงมีปัญญาตอบปุ๊บป๊บปุ๊บ ป, บปบ๊ตอบเลยรู้เหตุรู้เหตุถามเหตุถามปัจจัยก็จะตอบเราได้แต่กรรมอแม้นตอบตรงเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจบอกแล้วเนี่ยคนมีสติปัญญาไม่เท่าเทียมกันเนี่ยบอกอยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะให้เราเนี่ยลองไม่มีเสียงหลวงพ่อสัก สอสามนาทีเราลองพิจารณาด้วยเขาเรียกว่าลองช่วยเหลือตัวเอง <c oughs> เมื่อเราลองช่วยเหลือตัวเองเนี่ยทักสามนาทีเรามองที่มองตัวเองยิ้มมองเห็นตัวเองพิจารณาความตายมรณ า, านุสติเป็นแล้วรู้เท่าทานันอ๋อนี่มัน มนโนเกิดความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเองเหรือในขณะนี้เห็นตัวเองกำลังนั่งอยู่เอาเราเอาพิจารณาตามที่หลวงพ่อสอนหลวงพ่อจะเงียบสัก3านาทีโอ้ดีมากเลยุดยอดนะ คโยมพยายามสู้พยายามคิดพยายามนึกพยายามตัดความลังเลสงสัยพยายามตัดความโกรธพยายามตัดความเวทนาทุกทางกายทางใจเป็นบญของเรานะคุณโ ย, ายามนะเป็นสภาวะเป็นสภาพที่รู้ตัวรู้ตนอย่างแท้จริงคุณโ ย, ายามเข้าถึงความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริง บางคนสู้ได้บ้างสู้ไม่ได้บ้างก็พยายามอดทนบางคนก็พยายามตัดเสียงเครื่องบางคนก็รู้สึกนั่งแล้วก็วูบหายไปบางคนนั่งแล้วขนลุกขนพองบางคนเหมือนดิ่งเหมือนจะลอยจะเหาะได้มันมีตามสภาวะของจิิตแต่ละคนแต่ละคนต้องขออนุโมทนา ส่วนที่เราได้เกิดการบําเพ็ญเปลีป่ยนในครั้งนี้แล้วว่าเป็นบุคคลที่โชคดีที่ได้มาฟังมาฟังมาประพฤติมาปฏิบัติหลวงพ่ออยากจะสอนให้ข้ามไปแต่ก็มันก็ไปไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ทําไม่ได้เราจะต้องไปด้วยกันเราจะไปคนเดียวคนที่ไปไม่ได้ก็จะทิ้งเขาไม่ได้นี่คือความรู้สึกของหลวงพ่อ เพราะนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้ก็ให้ปฏิบัติต่อไปเอาค่อยๆถอนสมาธิเพื่อจะได้กดน้ำนะสืบต่อไป